สัมมาสมาธิคืออะไรเกิดได้อย่างไรสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนือ้อรู้ตัววงเล็บไม่เผลอวงเล็บปิดมีความอ่อนเบาไม่มีภาระนุ่มนวลว่องไวไม่ซึมทื่อรู้สภาวะตามความเป็นจริงไม่เพ่งจ้องถลำไปดูอารมณ์วงเล็บไม่เพ่งวงเล็บปิดแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหาก ดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเช่นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูวงเล็บแยกรูปนามวงเล็บปิดหรือเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อมีสัมมาสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตไปตั้งแช่ในอารมณ์เป็นมิจฉาสมาธิได้แค่ความสงบไม่สามารถขึ้นวิปัสสนาได้สัมมาสมาธิ คือการที่จิตเรามีความตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างสบายๆ ย, ยังมีความสุขเราก็จะเห็นสภาวะขึ้นมาว่ากายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์เช่นถ้ามีความโกรธผุดขึ้นมาแล้วสติเกิดระลึกรู้ขึ้นเองใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นว่าความโกรธเป็นอันหนึ่งจิตใจอีกอันหนึ่งความโกรธกับร่างกาย ก็คนละอันกันความโกรธกับเวทนาวงเล็บความสุขความทุกข์วงเล็บปิดก็คนละอันกันเราจะเห็นมันกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นด้วยปัญญาว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าความโกรธไม่เที่ยงมันไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาทุกอย่างล้วนชั่วคราวทั้งหมดแต่ต้องรู้ด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่เห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอาสัมมาสมาธิ ไม่สามารถจงใจกำหนดให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องสร้างเหตุให้ถึงพร้อมแล้วจะเกิดขึ้นเองเราสามารถแบ่งผู้ปฏิบัติออกได้เป็นสองพวกคือผู้ที่สามารถทำฌานได้และผู้ที่ไม่สามารถทำฌานได้โดยผู้ปฏิบัติต้องเลือกทางเดินที่ตนเองสามารถทำได้และเหมาะสมกับวิธีทำวิปัสสนาเช่นถ้าพิจารณากายและเวทนาต้องทำฌานก่อนการพิจารณาวงเล็บเหมาะสำหรับสมถยานิก คือพวกที่ใช้สมาธินำปัญญาวงเล็บปิดแต่ถ้าพิจารณาจิตและธรรมวงเล็บเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกคือพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิวงเล็บปิดไม่ต้องทำฌานก่อนให้ตามรู้สภาวะธรรมลงไปเลยสำหรับสมถะญาณนี้ต้องเริ่มจากการทำสมถะก่อนเช่นค่อยๆทำความรู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่มีใจเป็นคนดูวงเล็บเพื่อแยกผู้รู้วงเล็บปิด โดยเริ่มจากหายใจออกก่อนสบายๆแบบคนนอกดูร่างกายหายใจเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นเพราะให้จิตใจสบายวงเล็บเรียกว่าบริกรรมนิมิตวงเล็บปิด เมื่อทำมากเข้าจะเห็นลมหายใจเป็นแสงสว่างเป็นเกลียวเรียกว่าอุคหานิมิตถ้ารู้ไปอีกเรื่อยๆจะรวมเป็นลูกกลมๆวงเล็บเรียกว่าปฏิภาคนิมิตวงเล็บปิดแล้วมาตามรู้ตรงนี้ต่อลูกกลมนี้ย่อได้ขยายได้มีปิติมีความสุขวงเล็บและเอกะขะตาวงเล็บปิดจิตก็จะเข้าฌานเกิดจิตผู้รู้ในฌานที่สองวงเล็บ เกิดเอโกที่ภาวะคือใจเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้องค์ฌานวงเล็บปิดต่อไปเห็นว่าปิติก็หวือหวาแล้วก็ดับปิติลงไปอีกเห็นความสุขก็เข้าฌานที่สามวงเล็บมีสุขและเอกคตาวงเล็บปิดดูความสุขความสุขก็ดับไปเข้าฌานที่สี่วงเล็บเปิดมีอุเบกขาและเอกคตาวงเล็บปิดต่อไปเมื่อจิตถอนออกมาจากฌาน จิตจะตั้งมั่นมีกำลังมีผู้รู้ติดตัวอยู่อีกระยะหนึ่งก็สามารถเอามาดูกายดูใจให้เห็นตามความเป็นจริงได้โดยให้พิจารณาดูขนผมเล็บฟันหนังว่าไม่ใช่เราหรือดูลงไปตรงๆเลยว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นว่าตัวเราที่ยืนเดินไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเรื่อยๆโดยใจเป็นคนดูไม่เคลื่อนไหว จิตจะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตังหากวงเล็บเปิดแยกรูปขีดนามได้วงเล็บปิดหรือดูจิตใจที่เปลี่ยนแปลงจากสงบมาฟุ้งซ่านเห็นว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ในวงเล็บดูจิตแต่ถ้าไม่ทรงฌานไม่มีผู้รู้ผู้ดูจิตจะไม่มีกำลังไม่สามารถเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราปัญญาไม่เกิด เมื่อพิจารณาร่างกายแล้วให้จบลงด้วยการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆเป็นไตรลักษณ์เพื่อไม่ให้จิตมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจการทำฌานจนเกิดตัวผู้รู้จะเต็มภูมิที่พระอนาคามีจากนั้นถ้าจะไปต่อต้องทำลายผู้รู้วงเล็บเปิดปล่อยวางผู้รู้วงเล็บปิดจึงจะเป็นพระอารหันต์ถ้าทำฌานไม่ได้ให้หายใจไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่ มีใจเป็นคนดูเห็นความทุกข์ความปวดเมื่อยเป็นของถูกรู้ถูกดูก็ได้จะมีตัวผู้รู้ขึ้นมาสำหรับวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องทำฌานก่อนแต่ให้รู้ศัตรูของสมาธิเรียกว่านิวรถ้าตามดูจิตจนมีสติรู้ทันนิวรเช่นให้ตามรู้ใจที่ดิ้นรนใจที่กําลังขุนมัวขัดเคืองหดหูฟุ้งซ่านสงสัยนิวรจะดับ และใจจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นนี้ถึงแม้จะไม่มีกำลังมากเหมือนการทำฌานแต่ก็เป็นสัมมาสมาธิที่เพียงพอและทำให้เกิดปัญญาได้เช่นเดียวกัน